ท่านฟันที่ครบคะ่ะเช้าเป็นกำไรนะคะที่ท่านได้ฟังทำโดยไม่ต้องไปวัดเลยนะคะเราอำนวยความสะดวกถึงขนาดนั้นใช้เทคโนโลยีให้มีคุณค่าสอดคล้องกับความก้าวหน้าที่อำนวยให้เป็นรายการนี้รายการ ส, รรสัสนิษฐานนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m เซมและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติดิฉัน ส, รรสนันนิษฐานพงดำเนินรายการคะ่ะก็ได้เวลานะคะที่จะมาพบกับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ซึ่งท่านอยู่ภาคตะวนออกเฉียงนหนือเลยนะคะแล้วก็บันทึกเทปกับที่ท่นผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกันพระเพรบุญอภิปุโนโจากวั ป, ปาดอนหายโศนำมัศ ก, การกับท่านคะเปรนพรค่ะก็มาถึงคำถามเลยดีไหมคะได้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะผู้ถามเนี่ยชื่อหนุ่มขี้สงสัยก็บอกว่าการที่เกย์ไปเที่ยวซาวน่า เพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กันอืแต่ไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครอืมเมื่อเสร็จกิจแล้วก็แยกย้ายกันไปเช่นนี้อถือว่าผิดข้อไหนในทางธรรมหรือไม่เป็นประเด็นที่ถกกันกับเพื่อนบ่อยมากแต่ก็สรุปไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้จริงอืมค่ะไปมีเพศสัมพันธ์กันณนะที่แห่งหนึ่งไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครแล้วไปแยกย้ายกันหลังจากที่มีอะไรกันแล้วผิดธรรมไหม ถ้าจะบอกว่าผิดธรรมนี่ผิดแน่เพราะว่าการหาความสุขแบบชนิดที่เรียกว่าทางเมถุลนันะเป็นความสุขที่เราก็จะเป็นของชาวบ้านอ่ะเป็นของผู้ทุชนนะก็ไม่ควรเสพลิืมก็เป็นเรื่องของกามนั่นะคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเสพมากๆมันก็จะเป็นไปเพื่ อ, อจะมีความเสื่อมหลายอย่างนะจะมีเสี่ยงต่อการผิดศีลคือมันไม่ใช่ว่าศีลข้อสามอย่างเดียวนะคุณโยมติ๋วในที่นี้มันจะมีการโกหก มันจะมียาเสพติดมันจะมีเหล้าเบียร์มันจะมีเสี่ยงนี่คือความเสี่ยงตรงนี้เหมือนอย่างคุณกลัวความสูงนะคุณบอกว่าฉันอยากจะไปนิพพานฉันอยากจะฟังทำปฏิบัติธรรมแต่ว่าอย่างไปเที่ยวอยู่นะก็เหมือนกับ <nein S 1> ค, คนกลัวความสูงแล้วยืนข้างๆหน้าผาสูงๆอ่ะนดแต่ดี ด, ดีฉันต้องย้อนกลับมาถามเลยนะคะเนี่ยอันนี้เลยเกิดความสงสัยเผื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นๆว่า ในเมื่อเขาก็บอกว่าเขาไป ม, มีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครเสร็จกิจแล้วแยกย้ายกันไปท่านบอกให้ผิดธรรมอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าธรรมเนี่ยก็จะให้คนเนี่ยถอนตัวจากพวกกิเลสต่างๆ่ากามนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึง่งแต่ที่่ใอในที่นี้เนี่ยอพูดถึงคนทุกคนเนี่ยควรที่จะรู้ธรรมควรที่จะอยู่ในคันลองคลองธรรมอันนี้มันธรรมเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นมนุษย์ โลกิยะที่อยู่ในโลกิยะอะนะคะออือก็คือว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องบางคนก็บอกว่ามันเรื่องธรรมชาติเนี่ยผิดด้วยหรืออ๋อค่ะก็สําหรับบุคคลผู้ที่ต้องการจะเสพกามคะนะเขาเรียกว่ากามะโพคีบุคคลคือบุคคลที่ยังบริโภคกามอยู่ก็เป็นคารวาสเนี่ยนะคะรารวาสเนี่ยต้องมีศีลนะที่พระเจ้าบัญญาตาัติเอาไว้ทีนี้ศีลศีลที่เราบอกเป็นศีลเป็นข้อขอเป็นข้อ ข, อ เ, น ข, อ ข, อขอเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้นี้ต้องอธิบาย หนังที่ว่าวันนี้เราเจะอธิบายตรงนี้ให้มันเข้าใจกันไปเลยน ะ, <ค>ะถ้ามีเวลาเหลือพอจะพูดถึงเรื่องอริยศาสตร์หรือพุทธประวัตก็ค่อยพูดแต่ <คะ S 1> ถ้าคุณยมติวสงสัยให้ถามได้อันดับ <คะ S 1> แรกก่อนศีลเนี่ยแปลว่าปกติ <คะ S 1> ขอพูดอีกครั้งหนึ่งศีลแปลว่าปกติปกติคืออะไรก็ปกติของคนธรรมดาใช่ไม้มปกติของพระสงฆ์หรอนูน่นร้อยกว่าข้อขึ้นไปเป็นหลายๆพันข้อนี่คือปกติของพระเขาทํากันอย่างนี้ นะ <Okay. S 1> ปกติของแม่ขาวแม่ชีพูดถือศีลแปดตาปาขาวเราเขามีแปดข้ออย่างนี้น <Okay. S 1> ปะปกติของสามเณรล่ะมีสิบข้อนะสิบอย่างคือความเป็นปกติของสา ม, มเณรปกติของคาราวาตผู้ยังเสพการมรมีห้าข้อเข้า <Okay. S 1> ใจไหมห้าข้อของคาราวาตมีอะไรบ้างก็มีปกติไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บริวผิดในกามนะทีนี้ไอ้ปกติตรงนี้คืออะไร <Okay. S 1> คือพระเจ้าเอาเกณฑ์ที่ว่าอย่างสมมติฆ่าอย่างนี้นนะ นี่บางคนบอกว่าฆ่าฆ่ามนุษย์หรอกไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกฆ่ามนุษย์อ่ะไม่ไม่ฆ่ามนุษย์นะแต่บางคนจะบอกงี้บางคนบอกว่าฆ่ามนุษย์เนี่ยถ้าฆ่าคนละพวกไม่บาปอะไง้นะแต่ฆ่าพวกเดียวกันนี้ไม่ได้นะแต่ฆ่าคนละพวกได้ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็จะบอกว่าเอ้ยฆ่ามนุษย์ฉันไม่ทำหรอกแต่ฉันฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายมากินนี่เพื่อปากท้องมันทาได้ บางคนละเอียดขึ้นมาอีกบอกว่าโอ๊ยฆ่าบัวควายสัตว์พวกนี้มีบุญคุณฉันไม่ฆ่าหรอกฉันฆ่าสัตว์ที่มากินเป็นอาหารธรรมดาฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้เช่นฆ่าปลาฆ่ากบฆ่าเขียดอย่างนี้เอาอยู่นะบางคนบอกโอ๊ยกบเขียดอย่างนี้ก็ไม่เอาเป็นบาปฆ่าเฉพาะสัตว์ที่มันทำร้ายเราก็แล้วกันสัตว์ที่ไม่ทํำร้ายเราเราก็ไม่ฆ่านะบางคนก็ละเอียดขึ้นมาอีกบอกว่าเอางี้สัตว์ที่มาทำร้ายเราเราก็ไม่ฆ่าหรอกฆ่าเฉพาะพวกสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ย นะเราก็ยัง ท, ทําทํำยังแปลว่ายัางฆ่าเพื่อป้องกันตัวได้นะบางคนก็บอกอุ้ยไม่ฆ่าเลยแม้กระทั่งมดมแมลงอะไรต่างๆก็ไม่แตะต้องมันมีนความละเอียดเป็นลําดับลําดับนะึกออกไหมคุณโยมติว๋วซึ่งพระรูชาต ร, ตรงนี้บอกว่าความไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยของศีลไงนะึกออกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการประพฤติผิดพระมาจันเนี่ยเราก็ต้องระบุไปว่าอา้าวประเภทไหนหญิงหญิงมีสามีหญิงมีศีลไหมาหญิงที่เขาคล้องปวงมาหลายไว้ ผู้ชายก็เหมือนกันะนะเพราะฉะนั้นเราก็ละเอียดเป็นขั้นๆคนที่ละเอียดไปจ น, นถึงระดบว่าเอ้ยเพศสัมพันธ์ฉัไม่สนพระเนี่ยนะคุณโยมติวต้องละเอียดถึงขนาะดแค่มองเนี่ยอย่าให้ราคะมันมาเสียบแทงจริงของเราเป็นผู้สำรวจอินทรีย์ขนาดนั้นนะอะมองนี่ก็จะแหมรู้สึกชอบคนนี้แอดคุณผิดละมันไม่ได้แล้วพระนะไม่งั้นก็นผิดเลยหรอคะผิดหมายถึงว่าไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าไม่ควรเป็นเพราะว่าเราจะเสื่อม Mm. เรียกว่าเป็นผู้ที่จะถูก อ, อกุศลธรรมของเราจะตกลงไปกุศลธรรมของเราจะตกลงไป <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอย่างคาราวะแมผู้หญิงเดินผ่านไปเห็นสวยๆก็มองได้คาราวะเขาเขาก็เป็นกันอย่างนั้นแต่ฉันไม่ไปมีเพศสัมพมันธ์กับเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าความละเอียดของคุณระดับไหนล่ ะ, mm. ะถ้า <Okay. S 2> เราไม่ไปผิดรูปเมียคนนั้นคุณว่าคุณถูกก็คุณถูกของคุณไม่เป็นไร <Okay. S 2> ไม่ว่าอะไรมันมีที่ละเอียดไปกว่านี้อีก เพราะนั่ น, น, นเรื่องศีลยินเดียวตรงนี้ตรงนี้ว่าเราก็แค่ว่าไม่ได้ว่าต้องฟันธงว่าตรงไหนถูกผิดพระพุทธเจ้าเอาเกณฑ์อะไรคุณโยมติว๋วเอาเกณฑ์ของความไปนรกนะถ้าเราทําบ่อยๆทํามากๆนู่นเลยนรกกาเนิดเด ร, รัจฉานเปรตวิสัยเป็นที่หวังได้นะเหมือนถูกนําตัวไปเก็บแล้วอย่างฆ่าสัตว์เอาไฟอัตามา ย, ยกตัวอย่างฆ่าสัตว์อย่างเช่นเรากินอาหารเข้าไปคุณโยมติว๋วแล้วเราถ่ายอุจจาระออกมา ไอ้ที่เราถ่ายอุจจาระออกมานะคุณยมติวมันมีสิ่งมีชีวิตเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆอยู่ตั้งหลายอย่างซึ่งถ้ามันโดนอากาศหรือมันตกลงไปในบ่อส้วมเนี่ยมันก็ตายแน่นอนใช่ไหมเราถามว่านี้ไม่ค่าสัตว์หรอนี่ผิดศีลไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือพระเจ้าเอาเกณฑ์ในการที่เรียกว่าเจตนาของเราอันนี้อย่างที่หนึ่งว่าถ้าเจตนาแบบนี้นะทำบ่อยๆนะคุณจะไป น, นรกกาเนิดเดรัจฉานเปลววิสัยเอา น, นรกกาเนิดเดรัจฉานเปลววิสัยเป็นเกณฑ์ ถามว่าเราอุอช라ออกมาเนี่ยสัตว์ตายไหมตายแน่นอนคุณเดินไปตามดินเนี่ยเหยียบตัวอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันตายอยู่แล้วแต่มีว่าแล้วเราจะเอาความสบายใจตรงไหนมาในการปฏิบัติเห่นไหมพุทธเจ้าบอกว่าสีเนี่ยเป็นไปเพื่อให้ไม่มีความร้อนใจเป็นไปเพื่อสมาธินี่ต้องฝังตรงนี้ค่ะนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปตีความเอานะว่าเราอยู่ระดับไหนอย่างถ้าพระจะ มันก็คนละระดับกันอะ่ะมันก็จะคนละเรื่องกันของความของความละเอียดในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ระดับนี้ก็ให้พอใจว่าเราทําได้ระดับนี้สบายใจซะอย่าไป ม, มีความร้อนใจเราฝึกมากขึ้นทํามากขึ้นเราจะค่อยยินดีในสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นเข้าไปอย่างนี้ค่ะนะคะดังนั้นถ้าจากคําถามที่ท่นพิจารณาตามที่ท่านบอกว่าเกไปเที่ยวซาวน่ามีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ผิดรูปผิดเมียใคร เพราะแยกย้ายกันไปถ้าสมมุติว่าคนคนนี้ยังเป็นพวกระดับแรกถูกไหมคะมนุษย์นี่อย่างต่าต้องมีสีลห้าถูกไหมคะใช่คือระดับที่ไม่ได้ไปประพฤติผิดลูกเมียใครอย่างนี้ก็ถือไม่ได้ผิดศีลแต่ในทางธรรมที่ท่านบอกว่าไม่ถูกเพราะมันเป็นเรื่องของเมถุนมันจะไปขัดขวางการก้าวหน้าในทางธรรมอย่างนั้นถูกไหมคะพูดอย่างนั้นก็ได้ ไม่อันนี้อันนี้ถ้าไม่ใช่ท่านก็ช่วยเสริมนะคระเพราะว่าดิฉันก็อยากคือคิดว่าเวลาถามคําถามเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเจ้าของคําถามอยู่ก็จริงแต่มันจะมีคนที่ไม่ใช่เจ้าของคําถามมันเกิดสงสัยมากไปกว่า น, นั้นนั่นเองค่ะนะคะทีนี้ถ้าปฏิบัติรักษาศีลโอ้งี้งี้คุณยมเต๋ยวหมายว่าถ้าจะให้อาตมาเป็นพระนะอัตมาเป็นพระเนี่ยนะมาบอกว่าเออคุณไปมีเพศสัมพันธ์กับเ พ, เพศเดียวกันเนี่ยมัน มันไม่ผิดศีลอาตมาพูดไม่ได้นี่หรอไหมค่ะเออคุณไปวิเคราะห์เองตามหลักนี้ค่ะเข้าใจไหมเพราะถ้าเราพูดฟันธงไปมันก็จะไม่ดีทั้งทั้งขึ้นทั้งร่องเราก็พูดหลักเกณฑ์ให้ฟังอย่างนี้แล้วล่ะคุณก็ไปคิดเราเองเอ๋อค่ ะ, อ, ะ อ, อย่างนี้ก็ดีนะคะก็ไม่ต้องสนุปช่วยก็ลองไปวิเคราะห์กันใช่ค่ ะ, ค ะ, คะส่วนอีกคําถามหนึ่งค่ะสืบเนื่องกันคนที่ซื้อบริการทางเพศผิดไหม เหมือนท่านเคยตอบว่าทุกคนมีเจ้าของคือพ่อแม่จึงถือว่าผิดฟังแล้วยังงงค่ะ อ, อก็ในลักษณะเดียวกันนะเนาะว่าถ้าผู้หญิงหมายถึงว่ามีทำรักษาทำรักษาเนี่ยหมายความว่าที่ที่จะมาพูดครา้นั้นยังจําได้อยู่เราพูดถึงเรื่องประเด็นที่มีทำรักษาแต่บางทีพ่อแม่อย่างพ่อแม่เป็นชาวเขาองเงี้ยเขา อ, อนุญาตให้ดูมาขายตัวนะ ใช่ไห ม, ไหมถือพ่อแม่อนุญาตแต่ว่าทํารักษาในที่นี้หมายถึงอะไรคือหมายถึงข้อบกพร่องตำเนียมประเพณีมันมีเป็นยังไงใช่ไหมอย่างเขามีเป็นยังไงเราทําปฏิบัติตามนั้นเราก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราไป<ม>ปฏิบัติอีกแบบหนึง่งมันก็ผิดอะ่ะคืมก็อยู่ที่เระกอบรมตเนียมประเพณีในในยุคนั้นใช่ไหมอย่างในในสมัยวุฒิการในโสมปีนีมันก็มีมาตั้งแต่สมัยนู้นละเนาะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ก็แล้วแต่อค่ะก็ให้หลักเกณฑ์ไว้ ไปตัดสินเอาเองนะคะใช่ค่ะวันนี้เหลือเวลาในการที่จะพูดประเด็นหลักคือพุทธประวัติพ ร, ตพระโองฐ์พอมีนะคะมีมีมมค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ารายละเอียดของการมีเรื่องพิเศษพิเศษนะในในอะไรละ่ะในพุทธวรวัตรนะเนอะก็มีปริพาชกนี่เป็นการคุยกับพวกปริพาชกนะก็มี <c oughs> มีนักบวชชีเปลืออยู่ตอนนั้น ชื่อกรามากราระมัชกะอยู่ที่เมืองเวสาลีคนนี้เขาก็มีแหมเป็นผู้ที่ร่ำรวยด้วยปัจจัยสีมากแล้วก็ด้วยการสมาทานเจอย่างคือเป็นคนที่นุ่งเปลยผ้าตลอดชีวิตไม่ประพฤติการเสพเมทุนตลอดชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยการรับประทานอาหารเจไม่กินสุราไม่กินเนื้อ แล้วก็ไม่ล่วงเจดีผ่านตะวันตกตะวันออกคือไม่ออกนอกเขตตรงนี้แล้วก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็สอบถามปัญหาต่างๆพระพุทธเจ้าก็เลยตอบให้นะว่าบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่บ้างเนะี่ยยังมีทิฐิอันลามมกอยู่บ้างเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นพระอาหารหันต์ได้คือเขาเข้าใจว่าการกระทําอย่างเนี้ยเป็นพระอาหารหันต์ละ ซึ่งจริงพรชเจาก็เลยให้หลักเกณฑ์ในการที่พูดถึงเรื่องราคทโทสะโมหะในจิตอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วถ้าแบบว่าสรุปคือไปพบตัวอย่างเป็นปริพาชกที่คิดว่าตัวเองปฏิบัติตัวดีแล้วใช่แต่พระพุทธองค์ยังบอกอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่จะไปเป็นพระอานนทใช่คือเอาเอาเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการนึ่งนุ่งเครื่องหอมซึ่งเขาไม่นุ่งอะนะอย่างนี้เป็นเกณฑ์ในการวัด คือสมัยนั้นเขามีความเชื่อว่าโอ้ใครที่ขนาดว่าไม่มียางอายขนานดะไม่นุ่งเสื้อผ้าได้นี่ยกย่องให้เป็นบ้าหลานเลยมไม่ไม่มีความอายเหลืออยู่แล้วนะค่ะไม่มีความเป็นตัวตนเหลืออยู่คืออาจจะบอกว่าคนพวกนี้ไม่ได้คิดให้ความสําคัญกับรเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่ะคื อ, อ ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะมีคนพยายามทําอยู่บ้างนะคะท่านแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่เขามองไม่เข้าทางเห็นเป็นตัวประหลาดอยู่ระบาดค่ะอันนี้เป็นมิสัยทิฏฐิพระเจ้าพูดไปเลยนะทิฏฐิอันลามกค่ะส่วนเวลาที่เหลือนี้จะพูดถึงเรื่องอายะสัตต์ค่ะนะว่าเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าอันนี้สําคัญมากนะคือพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มาในสมัยไหนนะเป็นพระอริยเจ้าระดับไหนก็แล้วแต่นะจะต้องมีเครื่องอยู่สิบอย่างนี้ นะคืออย่างแรกเนี่ยจะเป็นผู้ที่ละองค์5ได้ค่ะคือละเรื่องของ เ, อเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5นะ้าคือจิตเนี่ยไม่มีนิวรณ์ละนะถ้าเราละได้ตอนไหนตรงนั้นเราเป็นพระอริยเจ้าละถ้ายังมีนิวรณ์ครอบงาอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ละ่ะอย่างที่2ก็คื อ, อประกอบพร้อมได้องค์6หมายความว่ า, ามีเห็นรูปได้ยินเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ อย่างนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยองค์หค่ะแต่อย่างที่3ก็เป็นผู้ที่มีอารักขายอย่างเดียวคือคอยป้องกันนะมีสติรักษาจิตคือรักษาจิตของเราเนี่ยด้วยสตินี่อย่างที่3อย่างที่4เนี่ยก็ ค, คือมีผนังพิง4ีด้านเวลาเราเมื่อยเราอะไรใช่ไหมเราก็พิงได้จะข้างไหนก็ตามซึ่งตรงนี้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาเราจะกินอะไรจะใช้อะไรจะสนทนากับใครเนี่ยเรามี พิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงใช้พิจารณาแล้วจึงยุ่งด้วยพิจารณาแล้วจึงเกี่ยวข้อ ง, องนีชื่อว่ามีผนังพิงสีด้านค่ะอย่างที่ห้านี่ก็คือเป็นผู้ที่ถอนความจริงเห็นว่าดิ่งไปคนละทางนะอย่างเช่นว่าโลกมีที่สุดไม้โลกไม่มีที่สุดอะไรต่างๆอย่างี้นะเป็นความเห็นทั้งหมด10ประการน ะ, ะอย่างที่หนั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่งดการสแสวงหาสิ้นเชิง นะคืองดการแสวงหาพบนแะสวงหาที่เกิดนี่ไม่มีละนี่พระอร<ม>หันต์เลยนะข้อที่หนี้ข้อที่เจ็ด<ม>นะพูดถึงมีความดําริไม่ขุนมัวนะคือละเรื่องการพฏิบาทเบียดเบียนหมดละข้อที่8ดนี่ก็พูดถึงมีกายสังขารระ ง, งับเกณฑ์ตรงนี้พระเจ้าก็ใช้ฌานที่สี่นะข้อที่เกก็คือเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วดีวดีนะคือจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะแลนะข้อที่สิบ ก็คือเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีนะคือรู้ชัดว่าตัวเองเนี่ยละราคาโทสะโมหะหมดแล้วข้อ9ข้อสินี้ต่างกันตรงนี้นะเป็นประเด็นตรงที่ว่ามีจิตหลุดพ้นด้วยดีกับข้อสิคือมีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเนี่ยหมายความว่าจิตหลุดพ้นนี่คือตัวเองหลุดพ้นละแล้วก็รู้ชัดเจนด้วยนะว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วด้วยแง่มุมไหนอันนี้คือข้อที่สิบถ้ามีความอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าอย่างแท้จริงเลย นะคะก็รู้จักกันแบบเร็วๆกันล้วกัน <laughs> ส่วนที่จะปฏิบัติเนี่ยเห็นคุณสมบัติอาจจะสั้นๆสิข้อฟังได้แป๊บเดียวใช้เวลานานในการจะผ่านไปถึงตรงนั้นได้โอ้โหนานเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทําบางคนอาจจะไม่กี่ปีบางคนอาจจะไม่กี่วันบางคนอาจจะเป็นหลายๆปีบางคนอาจจะเป็นหลายๆชาติก็ต้องก็ควรจะต้องทำค่ะแล้วก็ต้องทําให้ถูกทางด้วยมีโอกาส ถึงเหมือนกันเร็ว ช, ช้าอยู่ที่อินทรีย์บารมีใช่ใชถูกต้องนี่ก็คือส่วนของอริยศัจ4วันนี้ที่อาจจะต้องกล่าวแบบสรุปเพราะว่าเราก็ใช้เวลากับการตอบคําถามให้อินอิม่มใจกันนะคะนมัสการขอบพระคุณท่านาจารย์ไพบุลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเจริญพานค่ะวันนี้ก็เป็นห่วงเวลาสําคัญทเดียวนะคะสําหรับคนไทยเราที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ที่จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมชาติที่กำลังทุกข์ร้อนเป็นกำลังใจในตอนที่เขาทุกข์แล้วเขาต้องปลอบใจช่วยเหลือเขาในยามที่เราจะต้องไปฟื้นฟูเขานะคะอันนี้ต้องตั้งหลักกให้ดีทั้งกเห็นใจรัฐบาลที่ทำงานหนักเหลือเกิน